3. อุกโกตนะสิกขาบท 116. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่หรือฟื้นอาิกรณรที่ตัดสินไปแล้วอย่างถูกต้องเพื่อพิจารณาใหม่ณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพพวกภิกษุฉับพักขี